เมื่อประชาชนได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระมาพักอยู่ที่วัดเลียบนี้ก็ได้พากันมานมัส ก, การท่านมากและมากขึ้นทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อญาติโยมมาหลายคนก็อารัตนนาท่านอาจารย์มั่นแสดงพระธรรมเทศนาท่านก็ไม่ขัดข้องผู้เขียนก็ถือโอกาสนั่งฟังอย่างจดจอ่อเพราะยังไม่เคยเห็นท่านแสดงธรรมแก่ญาติโยมมากอย่างนี้สักที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 มีกายานุปัสสนาสติปทานเป็นต้นพิจารณาถึงอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงทุกคลักษณะคือความเป็นทุกข์อนัตตลักษณะคือความไม่เป็นตัวตนไอ้เห็นจริงขึ้นภายในจิตนั้นจิตนั้นก็จะดำเนินเข้าสู่อริยสัจจะเข้าสู่องค์มรรคในที่สุด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 ตลอดถึงขอฟังธรรมเทศนาและทุกๆุกคนก็ได้รับการโปรดปรานธรรมเทศนาหรือสัมโมทนียกถาพอใจไปตามๆกันตอนพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันตะศีละเทระ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 แต่ละท่านส่งคุณนาวุธนาเกรงขามก็พอดีท่านอาจารย์มั่นได้สั่งให้ผู้เขียนสวดปฏติโมกในวันนี้ผู้เขียนไม่ขัดข้องเพราะการสวดปฏิโมกผู้เขียนถือว่าเป็นกุศลอันประเสริฐตั้งใจท่องปฏิโมกตั้งแต่บวชเป็นสมเณรปีแรกและได้ไปฝึกวิธีสวดกับพระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลน้องชายพระอาจารย์สิงหกันตยาขโม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 พระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาดเป็นใจความว่าข้อปฏิบัติจะให้การปฏิบัติก้าหน้านั้นต้องเป็นไปทั้งภายนอกและภายในภายนอกนั้นคือความวิเวกหาที่วิเวกปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆที่อยู่ในป่าถ้ำเป็นต้นอย่าไปโฆษณาหาให้คนมาพบหรือวุ่นวายให้มากอย่าเอาความวิเวกเป็นการอวดอ้าง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 เข้ามาถามถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินธุดงว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีใดถึงจะเป็นการถูกต้องพระอาจารย์องค์นั้นได้เน้นว่าผมเห็นพระธุดงที่ไปปักกลดตามที่ชุนมนุมชนหรือธุดงไปไหว้พระเจดีย์พระพุทธบาทบางกลดถึงกับเขียนประกาศติดไว้ที่ม้งกลดว่ามีของดีใไรต้องการให้มารับพระอาจารย์มั่น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 มีการฉันหนเดียวฉันในบาทไม่มีภาชนะอื่นการบินทบาทการอยู่โคนต้นไม้การอยู่ในป่าการปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นธุดงเช่นการฉันหนเดียวเป็นการตัดความอยากที่จะต้องการฉันอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อฉันแล้วก็แล้วกันในวันนั้นตัดการกังวลทั้งปวงหรือเช่นการฉันในบาดก็ไม่ต้องคิดถึงรสชาติ หรือต้องหาภาชนะให้เป็นการกังวลที่จะคิดว่าจะแบ่งกับข้าวและข้าวไม่ต่างกันเพื่อหารสชาติแปลกๆต่างๆรวมกันหมดในบาทเป็นการขจัดความอยากอย่างหนึ่งหรือเช่นการไปอยู่ในป่าที่ไกลจากบ้านพอควรหรือในถ้ำภูเขานี้ก็เป็นการหาสถานที่บำเพ็ญกรรมฐานสแสวงหาความสงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม การสแสวงหาแหล่งที่เป็นป่าภูเขาหรือถ้ำนี้ต้องหาสถานที่ที่เป็นสัพพายะเหมาะแก่การบาเพ็ญสมณกิจสมณธรรมจริงอย่าไปหาถา้ำภูเขาที่ประชาชนไปกันมากเป็นการผิดเพราะไม่เป็นการดำเนินธุดงหรือจะไปสแสวงหาแหล่งที่เป็นภูเขาถา้ำที่เป็นแหล่งเหมาะแก่การที่ประชาชนจะไปให้มากและอยู่นานๆจนประชาชนรู้จัก ล้วก็จัดการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นที่จูงใจนักท่องเที่ยวมินำซ้ำยังมีการชักชวนประชาชนให้มาดูมาชมเขาไม่มาก็ไปหาเขาเขามาก็ต้อนรับด้วยวิธีการต่างๆจนประชาชนติดใจชักชวนกันมาพระธุดงเหล่านั้นกลับดีใจว่าประชาชนขึ้นตัวมากไม่พยายามที่จะคิดหนี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 และเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสได้จริงเมื่อจะอยู่ที่ใดอันเป็นแหล่งของการวิเวกสงบสงัดแล้วก็พึงอยู่ที่นั่นแล้วบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนยิ่งสงบเท่าใดยิ่งดียิ่งปราศจากผู้คนเท่าไรยิ่งดียิ่งอยู่ในดงสัตว์ ร, ร้ายเท่าไรยิ่งดีและพยายามอย่าอยู่แห่งเดียวเปลี่ยนที่อยู่เสมอๆ เ, เพื่อแก้ความเคยชินต่อสถานที่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 ตามความมุ่งหมายเมื่อพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์เสาวกันตะสีโลได้ผ่านไปด้วยดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการหลังจากนั้นพระเถรานุเทระทั้งหมดก็จะมาร่วมประชุมกันเพื่อถวายสการะแก่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระซึ่งขณะนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นประธาน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 เมื่อทราบข่าวก็รีบไปนำศพนั้นมาทุกๆคนก็ได้เห็นศพตายใหม่ๆยังไม่มีส่วนอวัยวะบุกร่องต่างคนก็พูดว่าแม่ศพนี้ยังดูสดใสเราจึงนำร่างหญิงนั้นไปสู่ป่าช้าวางลงบนเชิงตะกรเตรียมการชาปนากิจเมื่อติดไฟไปได้ลุกขึ้นเผาพลานร่างของหญิงนั้นดำเป็นตอตะโกทุกส่วน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 จงมาเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอเมื่อยะสะกุลบุตรได้ยินเข้าแล้วจึงรีบเดินเข้าไปตามเสียงนั้นแล้วก็ได้ฟังธรรมภายหลังได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และบวชในพระพุทธศาสนาสหายทั้ง54คนเมื่อได้ทราบว่าพระยะสะกุลบุตรบวชแล้วก็มาคิดว่าธรรมวินัยที่ยะสะกุลบุตรบวชคงไม่เลว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 ผู้เขียนก็ได้ถือว่าท่านพระอาจารย์เนียมเป็นพระเทระาผู้ทรงคุณวุฒิสูงผู้หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนามนนี้เท่าไรนักเกิดมีการลือว่าผีปอบกำลังอลาวาตและมีผีป่าเข้าผสมมีการตายกันไม่เว้นตลอวันชาวบ้านได้มีความเชื่อว่าผีอลาวาตจริง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 พวกเราอาจจะถูกผีรุกพวกเราหนักยิ่งขึ้นแต่เขาก็ดูจะมั่นใจว่านี่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นคงจะมีความสามารถจัดการผีได้ท่านจึงส่งมาในค่ำคืนวันนั้นผู้เขียนได้แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังและให้เขารับพระไตรสารณคมแนะนำความเชื่อถือผิดต่างๆพอสมควรและเขาก็พากันกลับบ้านตอนจะกลับ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 เข้าประจำหน้าที่เป็นอุปถาคตามเดิมเมื่อพบพระอาจารย์ในวันนั้นท่านได้ถามว่าวิริยังได้แก้มิจฉาทิฏฐิสำเร็จหรือไม่ผู้เขียนตอบอย่างภาคภูมิว่าได้แก้สำเร็จแล้วทุกประการท่านได้พูดเสริมต่อไปว่านี้แหละคือประโยชน์ และพระภิกษุสมณเณรผู้บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานอกจากจะทําประโยชน์แก่ตนแล้วก็ควรจะได้ทําประโยชน์ผู้อื่นต่อไปจึงจะเป็นการเชื่อชูวไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาบางคนเขาว่าพวกเราอยู่ในป่าบรรนอกบัรห า, นนาเอาแต่ความสุขส่วนตัวได้รู้ทำเห็นธรรมแล้วก็หลบตัวซ่อนอยู่ในป่าเขาไม่ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม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 เพียงแต่ท่านเดินทางด้วยเท้าสักหนึ่งกิโลสองกิโลก็ไม่เอาแล้วพวกเราจึงได้ชื่อว่าได้มีส่วนช่วยทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างลึกซึง้งที่ใครอื่นเขามองไม่ใครเห็นผู้เขียนนั่งฟังท่านอธิบายก็ทราบซึ้งใจเป็นหนักหนาและเข้าใจอะไรอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับส่วนตัวและส่วนรวมข้าพเจ้าก็ขอยุติใต้สมัญสำนึกไว้เพียงเท่านี้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 แต่นี้ท่านมีความสุขในระดับชาญร่างกายใช้พลังงานน้อยมีสารอาหารเพียงนิดเดียวก็สามารถใช้ได้นานกว่าคนทั่วไปจึงไม่แปลที่ท่านจะไม่ฉันอาหารหลายวันไม่นอนหลายวันก็ได้คำว่าทรมานในพระปฏิบัติหมายถึงทรมานกิเลสไม่ใช่การทรมานร่างกายที่ถือเป็นอัตตกิริมาฐานุโยกอันเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรกระทาธรรมะควรศึกษาให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ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 จงกลายเป็นบ้าสติวิปลาดหลงทางไปไกลก็มีให้เห็นมาเยอะแล้วและเช่นเดียวกันหลายคนศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดแต่ไม่เคยคิดลงมือปฏิบัติก็เกิดอาการวิปลาดเข้าใจผิดหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจนนากลัวก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยมานะครับเด็กอนุบาลก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนแบบเด็กไม่ใช่ต้องทาเหมือนผู้ใหญ่ต้องทาอะไรได้เทียบเท่ากับนักกีฬาทีมชาติที่ฝึกฝนมานานแล้ว จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับก่อนจบเสียงอ่านในภาคแรกนี้ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้นะครับครอบครัวหัธมาศครอบครัวหังสเสนครอบครัวปรกรณ์เกษตรครอบครัวทองไภโรดคุณแม่ปรานีนภัทรลุงจิติมาเดอร์อภิรัตคราวส์ปฐมฤกษ์เสนทองพิชคณิตอุทัยวัฒนา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 การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยะคุณพุทธธรรมชมรมผลดีพฤศจิกายนพุทธศักราชสองสนใจสร้างมหาธรรมทานร่วมกันดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โจโฉดอ .net jo ็ตโจโฉภาษาไทยนะครับ .net หรือ .net เสิ้งอ่านหนังสือโดยโจโฉและชมรมผลดีทั้งหมด